แตะก่อนที่จะได้บรรยายทำต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้สำรวมกายวาจาและทำจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวบางท่านอาจจะเคยชินกับการดูรมหายใจบางท่านก็อาจจะเคยชินกับบทบริกรรมต่างๆมีพุทโธเป็นต้นต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านอยู่กับอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น อย่าปล่อยให้ใจฟุ้งไปกับอารมณ์ความคิดต่างๆที่จะจอเข้ามารบกวนจิตใจอันจะทำให้เสียซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการฟังซึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระศาสดาวันนี้ก็เป็นวันที่21เป็นวันพระ8ค่ำ8ค่ำแรกจากการที่ออกพรรษาพรุ่งนี้ก็รับกระถิ่ แล้วก็วันที่24 24ีสิบสี่ก็เป็นวันครบรอบ6ปีที่สมเด็จพระยาณสังวรนะได้จากเราไปก็เป็นอะไรที่ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะนึกนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็เสียดายแล้วก็ท่านได้จากเราไปถ้าท่านได้อยู่ก็คงจะมาเทศให้เราได้ฟังบ่อย เทที่เราฟังบ่อยๆการที่เราได้ฟังทําบ่อยๆมันก็เป็นมงคลอันหนึ่งคําว่ามงคลก็คือทางเจริญนั่นแหละทําให้เรามีความเจริญในชีวิตมากขึ้นเจริญในทางที่นี้นี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าร่ํารวยเงินทองอะไรแหละเพราะว่าคําสอนที่ท่านสอนลงเนี่ยก็สอนลงตรงที่พัฒนาความสุขความทุกข์ของตัวเรา ความสุขความทุกข์ในจิตใจของเราเพราะการที่เรามีความสุขความทุกข์เนี่ยใจมันเป็นเรื่องสำคัญใจเป็นเรื่องใหญ่ถ้าสุขใจแล้วทุกกายก็ยังพอไปได้แต่ถ้าสุขกายแต่ทุกใจชีวิตมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยเป็นเครื่องพัฒนาเป็นมงคลเป็นทางเจริญเนี่ยก็คือมาพัฒนาทางด้านจิตใจเราเนี่เลย คนเราเนี่ยถ้าจิตใจมีความสุขแล้วเนี่ยชีวิตมันก็ไปได้ค่าค่าความสุขความทุกขโดยรวมของเราเนี่ยมันก็มาจากจิตใจเป็นสำคัญพย้อนกลับมาตรงนี้ว่าการที่เราได้ฟังธรรมเนี่ยมันก็เป็นการที่เราได้นําความรู้จากคนรุ่นก่อนหรือจาก ต้นต่อของเราก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ออกสแสวงหาโมฆะธรรมคือธรรมที่ทำให้คนเราเนี่ยพ้นพ้นจากทุกไปถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากคนเราทุกคนเนี่ยน่าจะมีจุดร่วมเดียวกันก็คือว่าต้องการที่จะมีความสุขและก็ต้องการที่จะไม่มีความทุกข์ แต่โดยปกติแล้วเนี่ยวิธีที่เราหาความสุขกันเราก็ตามอัตภาพที่เรามีนะบางคนก็ไปดูหนังบ้างฟังเพลงบ้างาไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศเหล่านี้ก็เป็นวิธีการหาความสุขได้แบบหนึ่งแต่การที่เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเรามีวิธีการจัดการความทุกข์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจํากัดอยู่ ถ้าเราลองประมวลชีวิตของเราดูเนี่ยว่าความทุกข์ที่เรามีเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้เนี่ยส่วนมากมันก็เรื่องเดิมๆถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องปจัจจัยสี่ส่วนมากมันก็เรื่องเบื่อเศร้าเหงาเซงนะเบือ่อเบื่อแล้วเราก็ไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้มากลบความเบื่อไปแต่ความเบื่อมันก็ไม่ได้ ขาดหายไปจากชีวิตเราเราก็ต้องอเผชิญกับความเบื่อกลับซ้ำกลับซ้ามาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็อีกหลายๆอย่างหลายๆหลายๆเรื่องที่มันก็ไม่ขาดหายไปจากชีวิตเราสักทีหนึ่งอย่างบางทีฟังคนนั่นคนนี้พูดถูกหูเราเราก็ดีใจใช่ไหมถ้าพูดไม่ถูกหูเราก็เคืองใจ มันก็มีเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยกระทบกระเทือนใจได้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆแต่ถ้าคนที่รู้ว่าไอ้วิธีที่เรามีมันเริ่มที่จะไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของเราแหละเพราะว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์ที่เราบริหารจัดการได้ดีกว่านี้เนี่ยแต่เราก็ทำได้แค่เท่านี้แหละเพราะฉะนั้นก็ลองลองมาดูว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นาเสนอเอาไว้เนี่ย เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจแล้วเราได้นำไปใช้เนี่ยมันพัฒนาความสุขเราให้มีมากขึ้นไหมแล้วเราก็จัดการกับความทุกข์ที่มันมีในชีวิตของเราได้ดีขึ้นขนาดไหนーーก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้มาศึกษาอะไรแหละว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทิ้งคำสอนเอาไว้เกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยสรุปลงง่ายๆสั้นๆที่ทุกท่านที่มาในที่นี้พอจะเอาไป เป็นหลักให้กับชีวิตได้ก็คือว่าท่านก็ตรัสเกี่ยวกับความจริงสี่อย่างนี่แหละสี่อย่างคือความจริงที่ว่าด้วยเรื่องทุกความจริงที่ว่าด้วยเรื่องเหตุเกิดทุกความจริงที่ว่าเกี่ยวกับความดับของทุกแล้วก็ความจริงที่ว่าทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกถ้าเรามาศึกษาความจริง4อย่างอันนี้เนี่ยพระรูเจ้าทรงรับประกันเลยว่าเราสามารถที่จะบริหารความทุก กับความสุขของเราเนี่ยได้ดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเวลาที่ถ้าเรามองกันเนดินปกติแล้วเวลาเราอาจจะเบื่อก็ได้เบื่อเราไปทำอะไรเราไปดูหนังเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเราแค่มันเหมือนกับว่าเราหาสิ่งสิ่งใหม่มาบังตัวเก่ า, เาถ้ายกตัวอย่างมันคนเป็นหนี้นะคนเป็นหนี้คนเป็นหนี้ก็มีเจ้าหนี้มาตามทวงใช่ไหมพอตามทวงแล้วเป็นยังไง คนที่แก้แบบปกติปกติเนี่ยเหมือนคนที่ไม่รู้จะทํำยังไงงั้นก็เครียดหลบเข้าไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งตอนดูหนังเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความสุขดีสนุกดีแต่พอออกจากโรงหนังเนี่ยเจ้านี้ก็รอยอยู่ที่ปากประตูแหละเพราะฉะนั้นก็เครียดเหมือนเดิมไอ้ความทุกข์ที่เรามีทุกวันทุกวันเนี่ยก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกัน เวลาที่เราหาความสุขมาเติมได้เนี่ยมันก็เหมือนกับเราหนีเข้าลงหนังนั่นแหละมีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวแต่ความที่ว่าเหตุเกิดทุกข์มันยังมีอยู่ก็เหมือนกับเจ้าหนี้มันยังมีอยู่นั่นแหละเราก็ยังต้องไปเชิญกับเจ้าหนี้อยู่แต่การที่เรารู้เรามาศึกษาความทุกข์เกี่ยวกับความทุกข์และเหตุเกิดของความทุกข์เนี่ยเราจะบริหารจัดการมันได้ตรงจุดมากขึ้นถ้าภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็คือว่า เป็นความสุขทางกายความทุกข์ทางกายความสุขทางใจความทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกระหว่างสุขกายสุขใจทุกข์กายกับทุกข์ใจด้วยมือนอย่างกรณีรถชนอย่างเงี้ยถ้ารถชนเนี่ยมันก็มันเป็นเป็นเรื่องที่เป็นปัญหานะมันก็น่าปวดหัวใช่ไหมเราก็คงไม่สบายใจหละระดับหนึ่งแต่การที่เราเหมารวมทุกอย่างเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันก็แก้ปัญหายาก อย่างทุกวันนี้เราจะเห็นว่ารถชนกันเฉี่ยวกันขับปาดหน้ากันอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่พอใจว่าปัญหามันเกิดขึ้นแต่วิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันก็ทําให้ปัญหามันเพิ่มขึ้นพอเขาปาดหน้าเราเรารู้สึกไม่พอใจใช่ไหมถ้าเรารู้สึกไม่พอใจเนี่ยถ้าตามความเป็นจริงแล้วนี่มันเป็นเรื่องของของจิตใจนะมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถนะความไม่พอใจเกิดขึ้นที่ใจ พอความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเนี่ยคนที่เขามาศึกษาเรื่องของจิตใจเนี่ยเขาก็จะเห็นถึงว่ า, าความขัดเคืองเกิดขึ้นแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องติดเบรกอารมณ์ในใจเรามีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ในใจของเราไม่ปล่อยให้มันออกมาทางตาทางคําพูดหรือว่ากิริยาท่าทางถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยเรื่องมันน้อยลงแน่นอนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้ฝึกหัดหรือไม่ได้ แยกให้เห็นชัดระหว่างกายกับใจเนี่ยเขาก็มีวิธีระบายความไม่พอใจของเขาระดับหนึ่งตรงที่ว่าพอใจไม่พอใจใช่ไหเขาก็มีความเห็นตรงที่ว่าถ้าเราได้ทำร้ายเขาหรือว่าขับปาดหน้าคืนหรือว่าทำให้รถจอดแล้วเราก็จะลงไปเอาคืนกับเขาอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการที่จะมาดับโกรธในใจของเราลงถ้าเรามีวิธีการแบบนี้ในการแก้ทุกข์เนี่ยเราก็จะทุกข์เยอะขึ้นอีกเพราะว่ามัน เอาเรื่องของใจกับเรื่องของกายมันปนกันมั่วซั่วมาแล้วก็เลยแก้ไม่ถูกจุดแต่ถ้าเรื่องของข้างนอกเราแก้อย่างไงเราก็เรียกประกันมั่งหรือไม่เรากอา็อาจจะขอโทษอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้ต่างฝ่ายต่างเย็นลงนะใช่ไหมโดยเฉพาะโดยของเฉพาะตัวของเราเองเราก็รู้สึกได้รับการเยียวยาทางนั้นจิตใจได้ตรงจุดขึ้นมีความอดทนอดทนแล้ว ขอโทษเป็นได้รับการขอโทษอารมณ์ในใจมันก็สงบระงับลงไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องของใจมันก็ต้องแก้แบบเรื่องของใจอะส่วนเรื่องภายนอกรถมันพังอย่างนี้เราก็เรียกประกันก็ตามแก้แบบภายนอกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกให้ออกระหว่างสิ่งภายนอกแล้วก็เรื่องของจิตใจที่มัน ควรจะบริหารให้มันแยกขาดจากกานี้เราก็จะมีชีวิตที่ปัญหาลดน้อยลงได้ได้ดีขึ้นทีนี้ก็พอชี้เห็นได้แล้วว่าการที่เรามาศึกษาธรรมะหรือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจมันก็ทำให้ส่งผลถึงความสุขความทุกข์ทางใจของเราเนี่ยแหละที่มันจะได้รับการพัฒนาขึ้นคือมีความสุขทางใจที่มันละเอียดประณีตขึ้น แล้วก็มีความทุกข์ทางใจที่มันลดลงซึ่งคำสอนดีๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วล่ะมันก็เริ่มมาจากการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่แหละได้ออกสแสวงหาโมกธรรมใชม่แล้วก็ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้เอามาเผยแผ่ธรรมะอันนี้ให้เราได้รับรู้รับฟังนะแล้วก็มีพระสงฆ์ ที่ได้สืบทอดคำสอนปฏิบัติตามคำสอนรู้ดีรู้ชอบเห็นถูกเห็นตรงเห็นแจ้งในการปฏิบัติแล้วก็ได้สืบทอดคำสอนเนี่ยเอามาให้ให้รุ่นต่อรุ่นได้มีโอกาสได้เข้าถึงความจริงดีๆอันนี้ความจริงที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ลดทอน ความทุกข์ออกจากชีวิตของเราลงไปได้แล้วก็มีความสุขที่มันมากขึ้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราก็จะเห็นด้ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้อยู่จนถึงวันนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระญาณสังวรเอเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่กับเราจนถึงวันนี้เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะน่าเสียดายที่ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ ไม่ได้อยู่คอยดูแลลูกหลานอย่างเราเรานะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นทาเรื่องธรรมดาธรรมดาของชีวิตอะว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วนะมันก็ดับไปการเข้าไปสงบระงับซึ่งสังขารเหล่านั้นได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นความสุขนะ คนเราเนี่ยสุดท้ายถ้าเรามองให้ดีก็จบตรงที่ตายกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่คนดีดีเลิศ อ, อย่างพระพุทธเจ้าก็จบอยู่ที่ตายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนที่ประพฤติกรรมชั่วมาตลอดชีวิตก็ตายเหมือนกันแต่การตายอันนั้นเนี่ยระหว่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับการตายในแบบปุถุชนคนที่ทำบาป ก, กรรมเนี่ยมันก็ถึงแม้จะจบลงตรงที่ความตายเหมือนกันแต่ผลของความตายเนี่ยไม่ได้เท่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ถึงแล้วที่สุดแห่งทุกข์ก็คือว่ากำจัดเชื้อของความทุกข์แล้วก็กำจัดเชื้อของความเกิด พอกำจัดเชื้อของความเกิดได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่ถ้าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจนะมันก็ยังเป็นเชื้อที่ทำให้เรายังต้องมาวนเวียนเวียนวนเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ต้องคอยมาใช้หนังซับเนี่ยก็ต้องมาเกิดมาเป็นเด็กแล้วก็ต้องชาติคือความเกิดเป็นทุกข์ใช่ชราคือความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์พยาธิ คือความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหคนเราเนี่ยภาพรวมมันก็ต้องมีแหละเดี๋ยวป่วยไข้บ้างแหละใครอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไงมันก็หนีไม่พ้นความแก่นะพออยากได้สิ่งใดแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์สรุปสุดท้ายมันก็มีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกพอตายปุ๊บเราก็หวังว่าเหมือนคนฆ่าตัวตายอ่ะเขาจะมีความหวังว่าเขาจะกดสวิต์ปิดเกมให้มัน แต่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้คือว่าหลังจากอัตภาพนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังทำเชื้อของความเกิดให้มันสิ้นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ยังต้องกลับมาวนวนกลับมาเกิดใหม่อยู่ดีแต่จะเกิดในอัตภาพที่มันดีมีความสุขมากมีความทุกข์น้อยแบบมนุษย์แบบเทวดาหรือ แ, แบบพรหมเนี่ยหรือจะไปเกิดในอัตภาพที่มันเป็น มีความทุกข์มากอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่มันจะพาไปถ้าใครสั่งสมบุญมากก็โชคดีไปแต่ถ้าใครสั่งสมบาปไว้มากเนี่ยอัตภาพที่ต่อไปที่เราจะได้เนี่ยมันต้องเป็นอยู่ในภูมิทุกขติซึ่งลงไปแล้วเนี่ยมันก็โอกาสที่จะกลับขึ้นมาเนี่ยอยู่ในภูมิที่มันเป็นสุขติก็ยากท่านเปรียบเอาไว้ว่าคนที่ จะไปสวรรค์ไปโพรหมโลกเนี่ยท่านก็เปรียบไว้เหมือนโคหนึ่งตัวโคหนึ่งตัวนี่มีสองเขาสองเขาแต่เทียบกับลูกลุ่มขนแล้วเนี่ยเยอะแยะนับไม่ทั่วเลยเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของคนที่จะไปสุคติเนี่ยก็เปรียบได้กับเขาโคและขนโคคือมีโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นอย่างเทวดาเนี่ยเวลาเขาจะหมดบุญ ที่จะต้องไปเกิดใหม่เนี่ยเขาก็อํานวยพรกันนะบอกว่าขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะว่าในภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่สั่งสมบุญสั่งสมบาปได้ได้เต็มที่ถ้ายัางในภูมิสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกหรืออสุรกายอย่างเงี้ยก็สั่งสมบุญก็ลําบากโดนแต่ทุกข์ทรมานโอกาสที่จะได้ทําบุญก็น้อยแต่ถ้าอยู่ในภูมิมนุษย์อย่างนี้เนี่ย เต็มที่เลยอยากทำบุญก็ได้ทำอยากทำบาปก็ทำไดนะ้เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่เปิดสั่งสมบุญแล้วยิ่งอยู่ในยุคสมัยนี้ยุคในสมัยที่มีคำสอนมีคำสอนแล้วก็มีผู้ถ่ายทอดคำสอนด้วยนะแล้วก็เรียกว่าเป็นยุคที่มีเนื้อนาบุญทำบุญแต่น้อยก็ได้ผลมาก ถ้าเปรียบเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปเทศโปรดพระพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงก็มีเทพบุตรสององค์มาเฝ้าก่อนเลยก็นั่งคู่กันแต่พอเทวดาองค์ต่างๆเริ่มทยอยกันมาเนี่ยเทพบุตรองค์แรกก็นั่งอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปไหนเทพบุตรองค์นี้องค์ อีกองหนึ่งก็ต้องนั่งถัดไปเรื่อยถัดไปเรื่อยถอยหลังไปเรื่อยเพราะว่าเทวดาผู้มีบุญมากกว่ามาพอมาก็ต้องหลีกทางให้ตามอำนาจบุญผู้เช่าก็เลยยกเคสเนี้ยเอามาให้เทวดาได้ฟังว่าอันนี้ส่งของการทำบุญเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะองค์ที่ ไม่ต้องถอยไปไหนนั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยก็ตักบาตรกับพระอนุรุธทธะทาพีเดียวเท่านั้นแหละตักบาตรกับพระอรหันต์แค่ทาพีเดียวได้บุญมากเพราะฉะนั้นเทวดาจะสักใหญ่บุญใหญ่มากขนาดไหนเนี่ยบุญก็เสมอกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องนั่งไม่ต้องหลีกกันแต่องค์ที่ต้องหลีกไปอยู่สิบสองโยตนั่งท้ายแถวเนี่ยก็คือทำบุญตลอดชีวิตแต่เสียดายตรงที่ว่าบุญที่ทาทานที่ให้ ไม่ได้ทํากับเนื้อนามบุญที่ดีเพราะฉะนั้นถึงจะทํามากแต่ก็ได้ผลน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเคสที่พระพุทธเจ้าเนี่ยอยากจะประกาศให้เห็นว่าเออเวลาทําบุญเนี่ยนอกจากในส่วนของผู้ให้แล้วเนี่ยในส่วนของผู้รับก็มีผลสําคัญเหมือนกันท่านเปรียบเหมือนหว่านข้าวลงไปในนานะถ้าหวานข้าวลงไปในนาแล้วเนี่ยถ้านาดีผลที่ได้ก็ดีถ้ า, มาเมล็ดข้าวเป็นแบบเดียวกัน ไพราะนั้นมันก็จะเห็นว่าอยู่ในภู้มนุษย์เนี่ยในยุคนี้สมัยนี้ก็เป็นยุคสมัยที่ถือว่าเป็นยุคสมัยได้เปรียบกว่ายุคสมัยอื่นๆเพราะว่าถ้าเวลาที่ท่านเปรียบเนี่ยยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นก็ท่านเปรียบเหมือนแบบระยะเวลาเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวถ้าเปรียบเทียบกับระยะเวลาในวัฏสงสาร น, นั้นนี้ที่ ที่มันยาวนานยาวมากยาวไกลเหลือเกินศา ส, สนาที่เราจะรู้สึกได้เนี่ยว่าตอนนี้ดำเนินมาถึงตั้งสองพันหร้อยเกือบห0ร้อปีแล้วเนี่ยก็รู้สึกนานแต่ถ้าเราเทียบกับในวัตตะสงสาร น, นั้นนี้เนี่ยน้อยมากเลยมันเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะได้เวลาที่ที่มันมีแป๊บเดียวอันนั้นเนี่ยเราจะใช้มันให้มันได้อย่างคุ้มค่าเนี่ย ยังไงเราได้อัตภาพที่เราได้ยากมาแล้วนะอัตภาพการที่เราได้เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้โดยยากพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่อุบัติได้โดยยากแล้วเราได้สิ่งที่มาได้โดยยากอีกอันนึงก็คือเราได้อยู่ได้ศึกษาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะนั้นเราได้สิ่งที่เราได้โดยยากมา แต่บางคนก็าอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่จริงๆแล้วมันยากนะกว่าจะได้เกิดเป็นคนกว่าจะได้เกิดมาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ย mm. ก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องง่ายเท่าไหร่การเกิดเป็นคนเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับความยากนะเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลหลวงแล้วก็มีแอกลอยอยู่ในทะเลอันหนึ่ง ลมพัดไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายลมพัดไปทางขวาก็ไปทางขวาลมพัดไปทางไหนมันไปทางนั้นกําหนดทิศทางไม่ได้ไอเต่าตาบอดก็อยู่ในท้องทะเล น, นั้นแหละกว้างใหญ่ตาบอดด้วยโอกาสที่100ปีมีโอกาสโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำหนึ่งครั้งโอกาสนั้นเนี่ยที่มันจะเข้าไปในแอกอันนั้นได้กลางท้องทะเลอันนั้นเนี่ยอันนั้นคือโอกาสของการเกิดเป็นมนุษย์ อันนั้นท่านเปรียบเทียบเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่จะเกิดเป็นคนไม่ได้ง่ายนะเราจะได้สิ่งที่ได้โดยยากมาแล้วเอาไปใช้แบบไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์มันก็รู้สึกน่าเสียดายแต่การที่เรายังแข็งแรงดีอยู่หูก็ดีตาก็ดีสมองก็ยังไม่พิกลพิการสมองก็ยังปกติเนี่ยเราควรจะใช้มันให้คุ้มค่ากับการที่ เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคำถามก็คือว่าแล้วอะไรล่ะคือการคุ้มค่าของการที่เราเกิดมาใช่ไหมถ้าเราคิดบอกว่าอับปกติความความที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีงานมีครอบครัวคนมีงานมีการก็ต้องหวังว่าเออเราจะมีเงินเยอะๆมีบ้านโตๆมีเครื่องใช้ไม้สอยแอมประนีอาก็เป็นความสุขของบุคคลปุตรชนธรรมดาอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรนะ แต่ถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยก็จะต้องถามว่ามันใช่อย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่าแน่นอนมันอาจจะมีสาระมีความสำคัญอยู่บ้างแต่มันคือสาระสำคัญยิ่งยวดในชีวิตของเราหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามันไม่ใช่นะเพราะว่าการที่เรามีชีวิตอยู่สุดท้ายมันไปจบที่ความตายใช่ไ หลังจากความตายอันนี้ไปแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปได้บ้างพ่อเอาไปได้ไหมแม่เอาไปได้ไหมพี่น้องเอาไปได้ไหมลูกเอาไปได้ไหมทรัพย์สินเงินทอง ต, งต่างๆเอาไปได้ไหมก็ตอบว่าเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวพอบางคนได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าเอา้าในเมื่อมันเอาไปไม่ได้เราก็ต้องรีบใช้ให้มันหมดหดไปสิอ่าใช่ไหมมีเงิน มีทองอยู่ไหนๆจะตายไปแล้วเอาไปไม่ได้เราก็ช่วใช้มันเต็มที่สิอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรถ้าจะมีความคิดอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่มันสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าความสุขและความทุกข์นี่แหละที่ว่ามาความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากกว่าว่าตายไปแล้วด้วยด้วยซ้ําเพราะว่ากว่าเราจะรอตายเนี่ยไม่รู้ถึงตอนไหนแต่ณนะตอนนี้ชีวิตของเรา เราควรที่จะทำให้มันมีความสุขมากกว่าความทุกข์ใช่และความสุขความทุกข์เนี่ยถ้าเราแบ่งได้มันแบ่งได้สองอย่างความสุขที่หาได้จากการเสพกามเสพกรารไม่ได้หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวนะหมายถึงว่าเสพจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้คือความสุขที่เราหาได้จากฝ่ายกลามก็เป็นปกติปุถุชนนี่แหละที่หากันหาจากทางกาม และความสุขอีกแบบหนึง่งที่ที่เราอาจจะไม่ค่อยเสพกันเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยให้ความสาคัญกันเท่าไหร่ก็คือความสุขที่หลีกออกจากกามความสุขที่เราหลีกออกจากกามบางคนก็จะนึกไม่ค่อยออกก็เหมือนกันที่เร า, านั่งสมาธิอย่างนี้แหละเราไม่ต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช่ไหเราก็มีใจตั้งมั่นอยู่กับ อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังนะเป็นการสงบอารมณ์จากตาหูจมูกลิ้นกายพอสงบอารมณ์ข้างนอกเหล่านั้นมาได้แล้วเนี่ยก็มีความสงบตั้งมั่นเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจเกิดขึ้นพอมันสงบตั้งมั่นลงไปเนี่ยใจเราก็มีอารมณ์เดียว เป็นอารมณ์เดียวที่มินสบายๆก็เหมือนเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราก็รู้สึกจิตใจมันปลอดโปรงดีมันเป็นคนละอย่างกับการที่เราไปดูหนังฟังเพลงใช่ไหมดูหนังฟังเพลงมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งความสุขแบบเหมือนโคกมันมีซาซาอยู่บ้างหวานหวานอยู่บ้างนะ แต่ถ้าอารมณ์แบบการที่เราสงบระงับจากกรามได้สงบระงับจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้เนะี่ยมันก็เหมือนกับดื่มน้ำเปล่าจืดสนิทแต่สุดท้ายมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่โค้กเนี่ยมันอาจจะดูมีสีสันมีความซ่ามีความดูสนุกสนานแต่สุดท้ายก็เบาหวานถามหาเพราะว่าการที่เราเสพอารมณ์ทางกรามนะตาหูจมูกลิ้นกายมากๆเนี่ยสิ่งที่ เป็นผลผลพวงก็คือว่ามันเพิ่มความเร่าร้อนในใจให้มันมากขึ้นอย่างเช่นเราบอกว่าเราฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าสนุกเพราะไพ่เราะดีเราฟังสิบครั้ง20่สครั้งแล้วไม่เท่าเดิมละเราก็เปลี่ยนไปฟังเพลงใหม่หรือไม่ก็ไปหากิจกรรมอื่นอันใหม่พอได้แบบเดิมๆซ้ําๆเนี่ยความสุขทางกลามเนี่ยมันจะจืดลงไป สำหรับจิตใจนะแต่มันไม่ได้โดยตัวมันเองมันไม่ได้จืดหรอกแต่จิตใจมันเาเรียกว่ามีความเคยชินมีความคุ้นชินมันก็รู้สึกจืดลงไปพอจืดไปมันก็อยากจะไปหาอันใหม่ที่มามาทดแทนอ่ะเพราะใจของเราเนี่ยมันหิวอยู่เรื่อยหิวในอารมณ์อยู่เรื่อยพอหิวอารมณ์อยู่เรื่อยเราก็ต้องตอบสนองมันอยู่เรื่อยนะแต่พอได้แบบเดิมซ้าๆก็รู้สึกว่าไม่พอก็ต้องไปหาอันใหม่หาอันใหม่ พอหาได้ก็ดีแต่ถ้าหาไม่ได้ก็รู้สึกแบบอ่ะเส็งๆเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางกามเนี่ยพระเจาก็จึงบอกว่าความอิ่มด้วยกามเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าเราน่าจะทดลองความสุขอีกประเภทที่เรียกว่าความสุขที่หลีกออกจากกามถ้าเราลองแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงสภาวะของจิตใจได้จริงๆว่า เฮ้เวลาที่ใจเราเนี่ยหลีกออกจากกามมีความสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในภายในสภาวะจิตใจมันต่างกันเลยสภาพอารมณ์ในใจมันต่างกันเลยมันไม่มีความเร่าร้อนความหิวกระหายในอารมณ์จากตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันลดลงมันทําให้เราเห็นว่าถ้าเราเพัฒนาความสุขอันนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะ ได้รับการเยียวยาจากโรคความไม่พอโรคของโลภะโรคของตัณหาคือความทยานอยากในใจมันจะโดนบัรเทาลงไปซึ่งถ้าเราพัฒนามันเป็นได้ถึงสุดทางเนี่ยโรคที่มีต้นตอมาจากตัณหาคือความทยานอยากในใจเนี่ยถ้ามันโดนแก้ไขไปได้จากใจเนี่ยเราก็จะเป็นใจที่เรียก ว, ว่าเป็นไทย เป็นไทยจากกิเลสตัณหาที่มันอยู่ในใจของเราและทีนี้ความสุขที่มันได้จากกลางเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เราอยากจะมาเริ่มความสุขที่มันหลีกออกจากกลามเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากแค่เริ่มที่ลมหายใจเราก็ได้เวลาที่ ใจของเราเนี่ยปกติที่มันไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันก็ไปซักไปทางสิ่งที่เราเห็นถ้าเราปล่อยเฉยเฉยเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็ไปมันได้ยินอะไรมันก็หนีออกไปถ้ามันไม่มันไม่เห็นมันไม่ได้ยินมันก็หนีไปทางความคิดใจมันก็ล่องลอยไปกับความคิดทีนี้เราเอาใหม่เราสร้างที่อยู่ให้ใจของเราใหม่โดยการที่เราเอามาจดจ่ออยู่กับ ลมหายใจเพราะว่าเวลาที่ใจไปอยู่กับสิ่งไหนเนี่ยมันก็กินอารมณ์ของสิ่งนั้นอย่างเช่นเราไปดูข่าวเียดูข่าวทุกวันทุกวันนี้มันก็น่าหงุดหงิดนะมีแต่เรื่องที่แบบว่าเสษไปแล้วเนี่ยทำให้ใจเราคุนเครืองอยู่เรื่อยทำให้ใจเราเร่าร้อนอยู่เรื่อยทีนี้ถ้าเราเราลองเปลี่ยนเอาใจเรามาตั้งไว้ที่ลมหายใจ เราก็จะเห็นได้ว่าใจเนี่ยมันกินอารมณ์ของการหายใจซึ่งมันไม่ได้ค่อนไปทางขุนมัวมันไม่ได้ค่อนไปทางเศร้าหมองมันไม่ได้ค่อนไปทางเร่าร้อนแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่ากะดีกระดาเหมือนกับว่าได้กินของที่ชอบแต่มันเป็นอารมณ์กลางๆที่กลางๆอ่ะถ้าเปรียบเป็นแต้มบวกกับ แ, แต้มลบอันนี้คือแต้มศูนย์ การที่เราอยู่กับลมหายใจได้เนี่ยมันก็เหมือนปรับสภาพจิตใจให้เรากลับมาเป็นใจที่อยู่ตรงกลางและการที่ใจมันอยู่ตรงกลางนั้นมันดีอย่างไรมันดีตรงที่ว่าเวลาเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็ไม่มีความลำเอียงความลำเอียงก็น้อยเวลาที่เราจะคิดพิจารณาเห็นโทษเห็นคุณประโยชน์เนี่ยมันก็เห็นคุณเห็นโทษได้อย่างแบบว่า เป็นกลางเที่ยงธรรมเหมือนกับเราชอบคนหนึ่งเวลาเราต้องตัดสินให้คุณให้โทษกับเขาเนี่ยถ้าเกิดตัดสินให้คุณให้โทษกับคนที่เรารักเนี่ยความลำเอียงมันต้องมีแน่นอนหรือเราไม่ชอบสิ่งไหนแล้วเราต้องตัดสินให้คุณให้โทษเนี่ยเราไม่ชอบสิ่งไหนมันก็มีความลำเอียงในแน่นอน จากการที่จะบอกว่าตัดสินให้เขาถูกก็อาจจะบอกตัดสินให้แบบไม่ถูกก็ได้เพราะว่าเราไม่ชอบขี้หน้าเขาอย่างนี้นะทีนี้ก็วกมาตรงหลักการตรงที่ว่าถ้าใจมันเป็นกลางแล้วเนี่ยความลําเอียงมันก็น้อยพอน้อยแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราชอบแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่ามันเป็นโทษนะอเราจะได้ไม่ลําเอียงเอาว่าไอมันก็เป็นเรื่องดีโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้น เราก็จะย้อนกลับมาถึงตรงหลักการตรงนี้ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอความคงทนความที่มันจะตั้งอยู่ได้อย่างนี้อยู่ได้ตลอดเนี่ยมันไม่มีเรายอมรับในสิ่งตรงนี้หรือเปล่าถ้าเรายอมรับในสิ่งตรงนี้ได้เนี่ยใจเราก็จะไม่ค้านกับความเป็นจริงเพราะมันไม่ค้านกับความเป็นจริงเนี่ยเราก็ทุกน้อย ยกตัวอย่างเหมือนกับเราบอกว่ายัางไงซะทุกคนมันก็ต้องตายใช่ไหมทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าเราก็ตายพ่อก็ตายแม่ก็ตายญาติพี่น้องอยังไงก็ต้องตายแต่คนที่อยู่กับสมมุติว่าอยู่กับพ่อแม่แล้วไม่ได้มีลูกหลานอย่างนี้นะเราก็คอยเลี้ยงดูพ่อแม่เราอยู่อย่างเงี้ยความผูกพันในครอบครัวมันมีมากแน่นอนยิ่งถ้าเกิดพ่อป่วยแม่ป่วยแล้วเราต้องคอยดูแลเป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงอย่างนี้เนะี่ยเราก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องที่มันเป็นความผูกพันน่ะเพราะมันความผูกพันเราก็ไม่อยากให้เขาจากจากเราไปถ้าเกิดจากเราไปแล้วเราก็รู้สึกทุกข์เมืนพ่อแม่เนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยบอกว่าอยากให้ตัวเองตายก่อนแล้ว อ, อยากให้ลูกตายก่อนพ่อแม่ก็ต้องบอกว่าอยากให้ตัวเองตายก่อนลูกเท่านั้นแหละแต่ถ้าลูกตายก่อนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ ร, oh, รู้สึกโอ้ยเศร้าเสียใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าความพลัดพรากมันก็ไม่ได้ปรานีใครนะ จะบอกว่าเพราะแม่ตายก่อนก็ไม่ได้ลูกตายก่อนก็มีถมถืดไปแต่ทีนี้สิ่งที่เราเป็นก็คือเราไม่ได้ทําใจไว้ก่อนพอเราไม่ได้ทําใจไว้ก่อนว่าความตายมันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติธรรมชาติอะ่ะพอเราไม่ได้ทําใจไว้ก่อนพอมันปรับปรับขึ้นมาอย่างเงี้ยอุบัติเหตุรถชนไฟไหม้หรืออะไรโดนทําร้ายอย่างเงี้ยพอมันปรับปรับปุ๊บทําใจไม่ได้อันนี้ก็จะทุกข์มากอันนี้ก็จะเห็นได้จากการที่ ในทีวีก็มีเยอะใช่ไหมข่าวที่ว่ า, าลูกโดนลูกหลงจากเด็กตีกันมั่งอะไรเงี้ยเพราะพ่อแม่ก็ตีอกชกหัวเพราะอะไรเพราะไม่เคยรู้สึกเลยว่าลูกจะจากเราไปแต่ถ้าเกิดเราคอยหมั่นที่จะเตือนตัวเองถึงความเป็นจริงอย่างนี้บ่อยๆว่าคนเราเนี่ยมันมีความตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะตายช้าไม่ว่าจะตายเร็วมันตายแน่นอนทุกคน แต่แน่นอนว่าความรักมันต้องมีแต่ไม่ใช่ว่ามีความรักแล้วปฏิเสธเรื่องจริงอันนี้อันนี้ก็ไม่ถูกแต่ถ้าเรามีความจริงอันนี้คอยเตือนใจเราอยู่บ่อยๆถ้าเกิดมันปลกปับต้องตายขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าความเศร้าที่เรามีความทุกข์ที่เรามีเนี่ยมันก็ไม่มากอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าพอได้พอดาเนินชีวิตต่อไปได้อย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นความจริงอะ่ะความจริงที่รวบยอดเอาไว้เอาไว้ไปไปหัดไปพิจารณากันก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันอยู่จบอยู่ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงสุดท้ายมันก็แตกสลายหายไปมันก็ตายกันหมดแม้ว่าสิ่งของเราจะไม่ได้ใช้คำว่าตายมันก็คือแตกสลายหายไปได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้มันเปลี่ยนแปลงมันแตกสลายหายไปได้หมดเราแค่ทำงานง่ายๆอันนี้คอยเตือนจิตใจเราอยู่อย่างนี้ให้มันได้บ่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นวัคซีนอันนี้ก็เป็นยาที่จะคอยป้องกันป้องกันเชื้อเชื้อโรคที่เราเรียกว่ากิเลส ที่ทำให้เราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงแล้วผลจากการที่กิเลสมันทำงานก็คือว่ามันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีทุกข์มากกว่าความสุขเพราะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากพยายามเตือนตัวเองอยู่บ่อยๆถึงความจริงอันนี้แหละว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรามีความจริงอันนี้ประทับติดตรึงอยู่ในความรู้สึกที่ใจ ย้ำนะย้ำว่าเป็นความรู้สึกของความจริงอันนี้ที่ใจเพราะว่าเวลาพูดไปใครๆก็จำได้ใครๆก็จำได้ว่าเออมันไม่เที่ยงหรอกเออมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันทิ้งแท้แต่พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจมันไม่ได้เอาความจริงอันนี้ไปไปเป็นคุณสมบัติของใจพอเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็ที่เราจำได้มันยังช่วยอะไรไม่ได้มาก แต่ถ้าเราพิจารณามันบ่อยๆเนืองๆจนมันติดตรึงเข้าไปในใจของเราติดตรึงเข้าไปในความรู้สึกของเราจริงๆว่าเออมันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้มันไม่มีอะไรที่มันอยู่ยั่งยืนถาวรเป็นความรู้สึกในใจของเราอย่างนี้ได้แน่นอนว่าเราก็ทุกน้อยแน่นอนเะนวันนี้ก็เลยอยากจะฝากอันนี้ไว้ให้คอยกลับไปแล้ว ก็คอยเตือนตัวเองถึงความจริงอันนี้บ่อยๆมีสติคอยระลึกถึงความจริงอันนี้ให้ได้บ่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่อต้านกับเชื้อโรคคือความทุกข์คือกิเลส น, นะแล้วชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขที่มีความสุขในภายในที่เพิ่มขึ้น แล้วก็มีความทุกข์ในภายในที่มันลดลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครทำแล้วมันหมันทำขยันทาทำได้บ่อยๆทำจนชำนาญแล้วก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้เนี่ยก็อนุโมทนาด้วยสาหรับวันนี้ก็ที่ได้บรรยายทำมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติ จะทำมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง